ชีวิตต้องสู้คําดูหมิ่นคือยาชูกำลังคุณแม่พาลูกสาววัยรุ่นอายุ20เสิบเศษเศษมากราบเรียนปรึกษาปัญหาทางใจของลูกสาวที่หยุดเรียนหนังสือมาสองปีเพราะมีความเครียดในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆและจะทุกข์มากเมื่อถูกเพื่อนว่าหรือมีปฏิกิริยากระทบกระทั่งแม่เรื่องเล็กๆน้อยๆ หลวงพ่อจึงยกตัวอย่างชีวิตของท่านเองมาเป็นอุทาหรณ์ในการสู้ชีวิตชีวิตเราดําเนินมาตามประสาของเด็กบ้านนอกซึ่งไม่มีใครสนับสนุนกระเสือกกระสนมาด้วยลําแข้งของตัวเองสมัยเป็นเด็กกําพร้าอนาถาอยู่กลางบ้านจะขึ้นบ้านใครเขาก็ปิดประตูบางทีญาติผู้ใหญ่เห็นเราก็ดุฟูฟาฟูฟาสมัยเด็กๆ เ, เคยเหงาเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับ มันไปเหงาตรงที่ว่าพอได้ยินคนข้างบ้านเขาเอิญคือเรียกพ่อแม่และเหงาทันทีเราไม่มีพ่อแม่เรียกกับเขาความรู้สึกทุกทรมานตามความรู้สึกสามัญสำนึกธรรมดามันมีอยู่ตั้งแต่เริ่มรู้เดียงสา ม, มาคือความรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าเราขาดพ่อขาดแม่ขาดความอบอุ่นแม้แต่ไปเล่นกับเพื่อนบ้านบางทีเขาก็โมโหให้บางทีเขาก็ด่า ไอ้ลูกไม่มีพ่อแม่สั่งสอนอะไรทํานองนี้เวลามันเกิดท้อถอยมาก็นึกเอาคำดูถูกดูหมิ่นของเพื่อนบ้านมากระตุ้นเตือนเราจะมาทําลายตัวเองเพราะคนอื่นเขาดูถูกดูหมิ่นได้หรือเราต้องเหนือกว่าเขาและลงสุดท้ายมันก็มาเป็นอยู่อย่างนี้มันเหนือกว่าเขาจริงๆกระโดดลงจากหลังควายมามานั่งรถเบนซ์ แล้วไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยกมือไหว้ชื่อเสียงโด่งดังนอกจากจะดังในประเทศแล้วยังดังไปต่างประเทศทั้งๆที่เราไม่ได้ไปต่างประเทศเพื่อนฝูงมาชวนไปเผยพระศาสนาต่างประเทศเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องไปหนังสือของท่านเทปของท่านไปดังกล้องโลกชาวพูดไปถึงไหนมันดังไปถึงนั่นไม่ต้องไปให้มันเมื่อยบางคนเขาว่าอย่างนี้ อันนี้คือประวัติย่อๆของหลวงตาหลวงตาเอาสิ่งที่เพื่อนฝูงเขาลบหลู่ดูหมินมาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เกิดทะเยอทยานสอนตัวเองให้เป็นผู้มักใหญ่ไฟสูงการที่เราจะเอาสิ่งที่เพื่อนฝูงเขาล้อเลียนหรือดูถูกดูหมินมาเป็นเครื่องทำลายตัวเองเนี่ยหลวงตาว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นยิ่งมีใครมาดูถูกเยยดยามเท่าไหร่มันก็ต้องยิ่งกระตือรือร้นเอาชนะจิตใจเขาให้ได้ พระที่เมืองโคราชเนี่ยสมเด็จพระธีรยานวัชกวตดเป็นเด็กกำพร้ามาเหมือนอย่างหลวงตาเหมือนกันอาศัยพี่สาวอยู่พี่เคยก็รังแกข่มเหงพอเสร็จแล้วท่านก็ไปบวชเป็นสามนเณรไปเรียนหนังสือได้ไปเรียนเก้าประโยคเป็นเจ้าอาวาสวัจกวัดราชาวาดในที่สุดได้เป็นสมเด็จเพราะฉะนั้นเราต้องมีมานะต้องพยายามเอาชนะให้ได้ ถ้าหากว่ามีปัญหากระทบกระเทือนแล้วเรามาทอดทิ้งธุระหน้าที่ของตนเองเสียเพื่อนบ้านมันก็ยิ่งดูถูกเหยียดหยามซ้ำเติมเข้าไปอีกอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นหน้าที่ของเราคือเรียนเรียนให้มันจบให้มันได้ดีที่สุดเพื่อนฝูงเขาไม่ได้มาเลี้ยงดูเราหรอกอย่าไปปล่อยให้เขาทำลายเราถ้ายิ่งมีปัญหามากเท่าไหร่เรายิ่งต้องต่อสู้แต่ไม่ใช่ไปเที่ยวเถียงไปด่าเขา ยิ่งมีคนลบหลู่ดูหมิ่นเย็ดยามเท่าไรเรายิ่งสร้างมานะในตัวให้มันเข้มแข็งขึ้นอย่างที่หลวงตาเคยทำมาแล้วเนี่ย